สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิอภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิวพระเยซูตอนที่สองร้อยสี่สิบเก้าเรื่องธรรมอภิษฐานของพระเยซูตอนที่ยี่สิบสี่ครับเราก็ยังอยู่ในคําวิงวอนที่สามของพระเยซูก็คือขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เนื้อหาสาระประเด็นสําคัญในค้าวันนี้ก็คือขอพระเจ้าช่วยพี่น้องทั้งท่านทุกๆ ท, ท่านและผมด้วย ที่จะยอมจํานวนต่อแผนการของพระเจ้าต่อน้าพระทัยของพระองค์ในชีวิตของเราเพื่นครับให้เรามาดูชีวิตของอับราฮัมเมื่อพระเจ้าได้ทรงเรียกและทรงบอกแผนการของพระองค์กับชีวิตของอับราฮัมเรียกเขาออกมาจากเมืองเออนะครับเดินทางมาเรื่อยๆจนถึงเมืองฮารานพ่อของเขาก็ตายหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะทรง ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะให้เขาอยู่ที่เมืองฮารานแต่พระเจ้าไม่ได้มีแผนการอย่างนั้นครับพระเจ้าให้อับราฮัมนั้นไปถึงแผ่นดินของพระเจ้าที่เดินทางออกจากเมืองฮารานมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนกระทั่งถึงแผ่นดินแห่งพันธสัญญาพี่น้องครับเราเห็นว่าน้มันไทยของพระเจ้าสาเร็จในชุดของอับราฮัมนะครับแต่การสาเร็จนั้นค่อยเป็นค่อยไปเ้าเรียกว่าเป็น ความสำเร็จแบบโปรเกรสซีฟเป็นความสำเร็จแบบสะสมนะครับพี่น้องสแสดงว่าพระเจ้านั้นทรงนาอับราฮัมทีละเก้าทีละเก้าทีละเก้าด้วยความเชื่อในน้ำมัทยที่ดีเลิศและประเสริฐของพระเจ้าของอับราฮัมเป็นความเชื่อในเรื่องน้ำมัทยของพระเจ้าที่เลิศประเสริฐที่มีต่อพระเจ้าของท่านทาให้ท่านนั้น ยอมจำนนครับยอมจำนน์ต่อแผนการของพระเจ้าที่ทรงนำทีละก้าวทีละก้าวบางครั้งพระเจ้าก็ดูเหมือนเงียบเงียแต่ความพักดีความศรัทธาการยอมจำนนยังมีอยู่ในชีวิตของอับราฮัมเสมอนั่นคือสิ่งที่ควรจะต้องมีในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนครับพี่น้องพระเจ้าต้องการให้ผมทำอะไรเมื่อทา เมื่อผมทาสิ่งนั้นสิ่งนี้เสร็จแล้วพระเจ้าต้องการให้ผมทําอะไรต่อไปอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราถามพระองค์ครับและปรารถนาที่จะให้เรายอมรับว่ายอมจำนวนต่อ น, น้ำอันไทยของพระเจ้าว่าดีที่สุดสาหรับเราเพียงครับนี่คือคําอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่มากเป็นคําอธิษฐานที่ครอบคลุมทุกสิ่งในชีวิตของเราคำอธิษฐานนี้คำอธิษฐานครอบคุมยิ่งใหญ่เพราะ ทุกคนอธิษฐานอย่างนี้บรรดาชนเห็นความเชื่อทุกยุคทุกสมัยก็อธิษฐานอย่างนี้ในทุกๆศตวรรษก็อธิษฐานอย่างนี้ก็ตลอดเวลาครับในทุกๆ ร, ระดับของการเติบโตฝ่ายวิญญาณของทุกคนที่เป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าก็อธิษฐานแบบนี้ในทุกๆสถานการณ์เราก็อธิษฐานแบบนี้และที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องมีความเชื่อศรทอัทธาและยอมจำนนต่อแผนการของพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเราครับ คำอธิษฐานนี้จึงเป็นคำอธิษฐานที่บรรลุในนามัไทยของพระเจา้าท่า น, นครับเมื่อเราคิดถึงสิ่งที่เราต้องทำนะครับในแต่ละวันแต่ละวันชีวิตประจำวันของเราเรื่องของการนอนการกินการออกกำลังกายการเรียนการเล่นการมีสันพน า, การการพักผ่อนแม้กระทั่งการเข้าห้องน้ำ พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้ทำสิ่งเหล่านี้แน่นอนครับนั่นเป็นแผนการและน้ำมัไทยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนในเรื่องของงานรูทีนในเรื่องเรื่องของการดำเนินชีพประจำวันของเราท่านครับเราต้องยอมรับว่ามีแผนการของพระเจ้าที่เหนือมากกว่า น, นั้นอีกก็คือการรักษากฎเกณฑ์และบัญญัติของพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นบัญญัติสิประการครับแผนการของพระเจ้านะครับอยู่ในบัญญัติสิประการนี้ใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ครับน้ำมัไยของพระเจ้าอยู่ใน บัญยทธิป ก, การนี้หรือเปล่าคําตอบก็คือใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับและยอมจํานนต่อแผนการและน้ําันไทยของพระเจ้าว่าเราจะต้องเคารพพระเจ้าไม่มีรูปเคารพอื่นไม่มีสิ่งกราบไหว้อื่นที่เราจะนมัส ก, การรวมถึงการพูดความจริงความบริสุทธิ์ทางเพศการไม่ขมโมยการกรตัญญูพ่อแม่เชื่อฟังท่านนะครับนี่คือ เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเราให้เราทำนะครับและพระเจ้าก็มั่นใจว่าลูกของพระองค์นั้นจะไม่ทำนะครับจะไม่ทำในสิ่งที่พระองค์ไม่ขอพระทยท่านครับลงมาลึกอีกระดับหนึ่งก็คืออาชีพของเรานะครับบางคนกำลังจะสอบเอ t ท a n น e ์บางคนกำลังจะเปลี่ยนงานบางคน กำลังฝึกตัวเองให้ยอมรับน้ำมัทัยของพระเจ้าในเรื่องราวต่างๆถามว่านั่นเป็นแผนการที่พระเจ้ามีกับชีวิตของเราหรือเปล่าครับคําตอบก็คือใช่แน่นอนเมื่อเรามอบอนาคตของเราให้กับพระเจ้านะครับเมื่อเราตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยการปรนนาตัวมอบถวายชีวิตของเราให้กับพระเจ้าแล้วแน่นอนครับพระเจ้ามีน้ำมัทัยชัดเจนนะครับ แต่เราต้องตระหนักครับตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ของเราต่อพระประสงค์ของพระเจ้าน้ามัดไทยของพระเจ้าแผนการของพระองค์ในชีวิตของเราเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้านั้นทรงมีแผนการสำหรับชีวิตของเรานะครับ God has a plan in my life God has a plan in my life God has a plan in my life เราต้องสำนึกตลอดเวลาครับเราต้องหวนคิดถึง คำว่า God has a plan in my life ในทุกๆช่วงอายุของเรานะครับพระเจ้าให้เป็นไปตาแมทไทัยของพระองค์ให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นไปตาแมทไทยของพระองค์เถิดพรงเจ้ากา้าพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานคาอธิษฐานนี้ขอให้เป็นไปตามมทไทัยของพระองค์เปนครอบคลุมมาถึงชีวิตส่วนตัวของเราด้วยครับที่เราต้องยอมรับความจริงห้าประการที่เกี่ยวข้องกับน้ํามทไทยของพระเจ้าในชีวิตของเรา ความจริงห้าประการนี้ได้แก่หนึ่งพี่น้องฟังดีนะครับถ้ามีปากกาท่านก็อาจจะจดหรือท่านอาจจะต้องจำประการแรกนะครับเกี่ยวข้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับชีวิตส่วนตัวของเรานะครับ God has a definite plan in my life ครับความจริงประการที่สองก็คือว่า เราต้องยอมจำนนและทำตามแผนการของพระเจา้านั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราครับประการที่สามครับเราสามารถรู้และทำตามน้ำมไทยของพระเจ้าได้เราสามารถรู้นะครับและทำตามน้ำมไทยของพระเจ้าได้ตราบใดที่เรายอมรับตราบใดที่เรามีท่าทีที่ถูกต้องต่อการรู้น้ำมันไทยของพระเจา้านั่นคือ เราพร้อมที่เชื่อฟังนั่นเองความจริงประการที่สี่ครับก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้บังคับเราให้เป็นหุ่นยนต์นะครับพระเจ้าไม่ได้บังคับเราให้ทำตามแผนการของพระองค์แต่พระองค์ต้องการความสมัครใจการยอมรับการอุทิศการป่าระนาดตัวต่างหาพระเจ้าไม่ได้ใช้ใครให้เป็นหุ่นยนต์นะครับพระเจ้าไม่ได้บอกว่ามนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างมาตาม วิสัยของพระองค์หรือตามพระฉายาของพระองค์นั้นเป็นโรบอทเป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่ครับประการสุดท้ายครับคําอธิษฐานของพระเยซูจะช่วยให้เราพบแผนการของพระเจ้าได้ถ้าเรารู้อย่างถูกต้องและเรามีม โ, มโนภาพนะครับที่ถูกต้องของพระเจ้าคือพระเจ้าเป็นพระบิดาเมื่อเราขอขนมปังพระองค์ไม่ให้ก้อนหินเหรอครับ เมื่อเราขอปลาพระองค์ไม่ได้ให้งูครับแต่เมื่อเราขอปลานะครับขอก้อนหินขอโทษฮะขอขนมปังพระเจ้าให้เรามากกว่านั้นอีกพี่น้องครับนี่คือพระบิดาของเราบนสวรรค์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรู้ความจริงห้าประการนี้เกี่ยวข้องกับน้ำมันไทยของพระเจ้าผมขอแยกครบทวนะครับประการแรกความจริงประการแรกก็คือพระเจ้าทรงมีแผนการที่เลือดประเสริฐสําหรับชีวิตของเราทุกคนเป็นชีวิตส่วนตัว ประการที่สองก็คือการทำตามแผนการของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับชีวิตของเราประการที่สามครับเราสามารถรู้นามไัยของพระเจ้ารู้ความประสงค์ของพระองค์รู้ความปรารถนาของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราได้เมื่อเราพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์เรามีท่าทีเมื่อเรามีท่าทีที่ถูกต้องในการตอบสนองประการที่สี่ครับพระเจ้าไม่ได้บังคับเราให้เป็นหุ่นยนต์ ไม่ได้บังคับเราให้เป็นไปตามแผนการของพงษ์แต่พงษ์ต้องการความสมัครใจการยอมรับว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่การยอมรับน้ำพระทัยของพงษ์ต่างหากประการสุดท้ายครับเมื่อเราอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูคำอธิษฐานนี้จะช่วยให้เราพบกับแผนงานน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อาเมน